การบรรยายเรื่องการแผ่เมตตาในวันนี้เราจะหัดแผ่เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองที่เรียกว่าอัตตรักกิตะซึ่งสัพพุทธเจ้าก็ถือว่ามีผลไปถึงการคุ้มครองผู้อื่นด้วยโดยปริยายเป็นปา ร, รัอติตะการคุ้มครองผู้อื่นก็จะมีผลกลับมาสู่ การคุ <God. S 2> <David. S 1> ้มครองตัวเองเพราะว่าการคุ้มครองคนอื่นการคุ้มครองตัวเองนั้นเอาก็จริงแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเดียวกันก็เพียงจะว่าการคุ้มครองตัวเองผู้คุ้มครองนั้นจะได้มากกว่าผู้ที่ได้รับการคุ้มครองเพราะเหตดว่าผู้ที่ได้รับการคุ้มครองนั้นไม่ได้ทำอะไรและที่ได้อะไรบางอย่างนั้นก็เนื่องมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ ผู้ได้รับการคุ้มครองนั้นมีเป็นทุนอยู่คือผู้ที่มีคุนน้อยหรือได้รับการคุ้มครองน้อยหรืออาจจะไม่สามารถได้รับการคุ้มครองเลยก็ได้ในเรื่องเงิงงในทางลึกเมื่อเราพูดถึงการคุ้มครองตนเองซึ่งก็หมายถึงของตนด้วยตนคืออัาบัติแล้วก็อกาตาลยะคือของของตน จะเป็นบุคคลของตนหรือจะเป็นสิ่งของของตนเราก็สามารถที่จะฝึกอันนี้คือเราคงจะฝึกกันแบบเอาชัดเกินกว่าที่ได้ทดํอย่างดป็ไปน้อยมาในครั้งก่อ น, อนออซึ่งเรื่องการคุ้มครองตัวเองเนี่ยเราน่าจะพูดเป็นเชิงปรารถนาทำกันในเบื้องต้นซะก่อนว่ามันเป็นอาการของคนที่เห็นแก่ตัวในรูปหนึ่งหรือไม่ อย่างที่เราพูดกันว่าคนที่ทำอะไรแล้วก็นึกถึงแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็คนที่ทำอะไรแล้วก็มาจะนึกถึงคนอื่นนั้นเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเมื่อเรามาดูธรรมะเนี่ยก็จะปรากฏว่าในธรรมะนั้นมีทั้งส่วนที่สอนให้นึกถึงตัวเองให้ปฏิบัติกับตัวเองให้ดูแลตัวเองให้เอาใจใส่ตัวเองให้คุ้มครองตัวเอง จะพูดไปว่าส่วนมากจะพูดถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นบางแห่งหลายแห่งก็พูดถึงการนึกถึงบุคคลอื่นก็เลยทำให้บางคนที่อยู่ไกลวัดหน่อยอาจจะสงสัยว่าอันนี้เป็นการเึงแก่ตัวหรือไม่ก็จะอยากจะคุยนะฮะถือว่าเป็นการคุยแบบอาศัยธรรมะเป็นพื้นฐานในส่วนนี้ให้ชัดว่า การทําอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือไม่เราจะพบว่าธรรมะ ห, หลายข้อเนี่ยครับผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ได้คําว่าอย่างนี้ได้หมายถึงว่าธรรมะที่นี่ถึงแต่ตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ทําได้โดยง่ายอย่างเช่นคนที่เจริญสติปัฏฐานคนเจริญสติปัฏฐานนั้นจะต้องเอาใจายอยู่กตัว นึกถึงตัวเองจะเกิดตลอดเวลายิ่งนึกถึงได้อย่างต่อนเนื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะกู้ข้าวเหียดออกไม่วจะเห็นไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยนะแล้วก็ถ้าว่าจิตเคลื่อนไหวไปนึกถึงอะไรหรือจะเคลื่อนไหวเราก็สามารถที่จะรู้ตัวเองเราไม่เอาใจออกจากตัวเองได้อย่างดียิ่งกลับเป็นกุศลั้นดีแล้วก็กลับเป็นว่าคนที่นึกถึงตัวเองโดยอาการอย่างนี้ นานเข้านานเข้าแล้วความเห็นแก่ตัวลดลงจนกระทั่งไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยแล้วก็ในระหว่างนั้นความเข้าใจคนอื่นความเห็นใจคนอื่นแม้ไม่ได้นึกถึงอยู่เดียวนั้นเนี่ยก็กลับจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปโดยนลำดับโดยลําดับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงของธรรมะทั้งในทางหลักเหตุผลและในทางปฏิบัติเอ่อ มารมะในเรื่องอื่นๆที่พระพุทธเจ้าพูดถึงในลักษณะอย่างนี้แม้แต่เรื่องการแสเนตตาคือคนจะค้านก็อดการไม่ได้ว่าการแสเนตตาทํำไมต้องแสโดยเองก่อนแสดงว่าคนแสเนี่ก็ถ้าจะแสเนตตายังแสเนี่ยตัวเลยพเพี่อว่าจะกินข้าไป็ต้งขอกินก่อนจาวอาอะไรก็ต้องขอได้สิ่งนั้นก่อนให้กับตัวเองก่อน มันเป็นวิสัยของคนถึงจะตัวแต่อย่างคนเห็นแก่ตัวทําไมถึงจะก่ตัวต้องแผ้คนอื่นก่อนซึ่งความจริงคนที่เขาแผลให้โดยอื่นเขาก็มีผล น, นะฮะคือที่พระพุทธเจ้าสอนกับที่ในคัมภีรสอนแล้วก็รู้ว่าว่าทำไมต้องแผลให้กับตัวเองก่อนก็เพราะว่าผู้แผลเนะี่ยต้องการจะแผลคนอื่นให้ได้และวิธีที่จะนําไปสู่การแผลความรู้สึกดีๆเช่นนั้นให้คนอื่นได้ ก็ต้องต้องอาศัยการเข้าใจตัวเองการแสะให้กับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็จะตัวเองก็จะเป็นสะพานทอดไปถึงบุคคลอื่นได้ในภายหลังอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นเรื่องของการนึกถึงตัวเองเนี่ยที่จนับไม่เป็นความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับให้จับหลักตรงเองไม่ควรทําอะไร คือผู้ใดที่ปลารบตัวเองด้วยจิตเป็นกุศลความปลารบนั้นทุกประเภทไม่ ถ, มอมลลถอือว่าเป็นความเห็นแค่ตัวความจารบถึงตัวเองด้วยจิตเป็นกุศลทุกประเภทชื่อว่าเป็นความเห็นแค่ตัวนึกถึงแต่ตัวที่อย่างที่เราพูดกันนึกถือแต่ตัวเองสมัยถึงถึงด้วยจิตที่เป็นอกศุศลอย่างไรอย่างหนึ่งและในทางตรงกันข้ามการนึกถึงบุคคลอื่น ถานึกถึงด้วยจิตเป็นกุศลก็ไม่เป็นความผลแก่ตัวอะตรงนี้นยะก็ไม่มีใครว่าอยู่แล้วแต่ท่านนึกถึงเด้วยจิตเป็นอกุศลแล้วก็ไม่เป็นความเสียสละยกตัวอย่างเช่นว่าเรานึกถึงคนอื่นในคามจริชีวิตเราทุกวันเนี่ยมันก็นึกถึงคนอื่นนึกถึงตัวเองสลับกันไปสลับกันมาแต่มันมันมันเป็นลักษณะที่เน้นเอเียงไปในทางจิตที่เป็นอกุศล เราไปเยืนเข้าแถวหรือไป เ, อเพื่อช่วยกินผลประโยชน์อะไรอย่างใดอย่า ง, งหนึ่งหรือแม้แต่ขับรถเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะคอยนึกถึงคนอื่นแสายความนึกถึงคนอื่นเนี่ยเรานึกว่าต้องเราก่อนหรือต้องเราไปก่อนคนอื่นอย่ารุนไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําลังขับรถอยู่ดีๆมีใครที่ใครทำพลาจะแตงเราก็พยายามที่จะเล่น เรื่องเพื่อปิดโอกาสการได้ก่อนของคนอื่นาการนึกถึงคนอื่นอย่างนี้เป็นเรื่องความเป็ตัวหรือในปราณที่ไปซุ่มเพื่อจะยิงสัตว์แล้วก็ดูสัตว์ดูดูดูนี่นะมันก็ไม่ได้เป็นกุศลเป็วความเป้ตัวอย่างยางรุนแรงที่สุดนหะเกือบจะไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้นึกถึงตัวเองนะฮะนึกถึง ค, คนอื่มาหรือคนที่ทําอะไรที่จะต้อง ไปมองคนอื่นอย่างเนเหยื่อของตัวเองเนี่ยที่ไปเฝร้าดูอยเาเดินไปเดินมาอ่ามันก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอย่างน่าเกลียดที่สุดกันเองเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่อจอยู่ตรงนี้ว่าเห็นหรือไม่เห็นไม่อยู่ที่จิตเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นการที่เรา นึกถึงคนอื่นอย่างที่ถ้าเราจะจับกิเลสมาใส่ใหเห็นชัด ๆ, ๆเนี่ยเราก็จะพบว่าความอิจฉาหรือความไม่คุ้ยกิเลสตัวนี้จะเกิดเมื่อปราลบคนอื่นคนอิจฉามากเลยจะนึกถึงคนอื่นมากนึกถึงคนอื่นด้วยสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะให้คนอื่นมีก็จะเอาใจใส่คนอื่นด้วยความรู้สึกอย่างนี้ ทีนี้มามองฝั่งตรงข้ามคนที่มีความกรุณาหรือมีมุติตามีจุดเปมุติตามีจิตเป็นกรุณาเนี่ยครับก็จะคอยสอดส่องว่าใครมีความทุกข์ความเดือดร้อนที่พอจะช่วยได้ก็คอยสอดสอ่องด้วยจิตด้วยความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแยกกันอย่างได้เห็นชัดๆว่า้คนอิจฉาเป็นพวกเห็นแก่ตัวกล้าลบตัวเราถือว่าเป็นอาการความงี่เง่ตัว น, นึงนะฮะ เพราะว่าตัวเองไม่ได้สิ่งที่คนอื่นก็ได้เมื่อคนอื่นได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็เลยอยิจฉาคนอื่นไอ้คนที่มีมานะหรือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่หรือมีความหยิ่งมีความทะนงหลงตัวก็จะนึกถึงตัวเองอยู่เสมอไปไหนมาไหนก็คอยนึกถึงตัวเราเองว่าเราเป็นใครเราเดินอย่างไรเรามีความสำคัญอย่างไร มันก็กลายเป็นกิเลสแล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ฟ้ถึงความเึ็นแก่ตัวของบุคคลนั้นอย่างนี้เป็นต้นกะิเลสยนันมีเยอะคนที่มีสติคนที่เจริญมรณานุสติก็นึกถึงตัวเองนะะมีศีลก็ระวังตัวเองเจริญวิปัสนาก็นึกถึงตัวเองเหล่านี้ยิ่งน็ดยิ่งเป็นบุญยิ่งน็ดยิ่งได้บุญ และคนที่นึกถึงตัวเองด้วยจิตเป็นบุญนั้นมีผลดีแก่อื่นมีผลดีแก่ผู้อื่นทุกอย่างทุกประการเจนคนที่มีอินทรีย์สังวรมีอารักขาคุ้มครองตัวเองดีเนี่ยไม่ไปเดินเหยียบเนินเหยียบนี่ไม่ไปเดินเหยียบคนอื่นไม่ไปเดินชนคนอื่นไม่ไปขับรถชนคนอล้วก็เป็นผลดีแก่คนอื่นเดิน ผู้ที่รักษาประโยชน์ตนด้วยรักษาประโยชน์ผู้อื่นด้วยระวังความปวดของตัวเองก็เหมือนกันระวังอารมณ์ของตัวเองก็เหมือนกันมันก็มีผลดีไปถึงกันว่าจะนั่งเป็นพุทธเจ้าจนได้รับเงื่อนในพระคัมภีร์ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นนระว่าผู้รักษาตัวหรรักษาตนเชื่อรักษาผู้อื่นผู้รักษาผู้อื่นก็เรียกว่ารักษาตัวอธิบายว่า จงรักษาผู้อื่นด้วยการรักษาตัวแล้วก็จงรักษาตัวด้วยการรักษาผู้อื่นคือถ้าว่าเราดูแลคนอื่นได้ผลมันก็มาถึงตัวผลนะมาถึงตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลในทางกรรมนะแต่ผลในทางกรรมเนี่ยก็อาจจะลึกหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างจะแน่นอนในทางหลักการมากหน่อยเช่นว่าเราไม่เบียเดเบียนผู้อื่น เราเห็นคนอื่นจะถูกคนอื่นเบียดเบียนเราก็ไปให้การกค้มครองถ่ายถอนชีวิตยดัดเราก็จะเป็นคนไม่เหนื่อยอายุสัน้นไม่มีโรคมากไม่ถูกเบียดเบียนมากใครเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นในถ้าหกวเราให้เมตตาเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนะครับแผลเมตตาให้จับไปเองแผลเมตตาให้ผลิตก็ก็เป็นใยลักษณะอย่างนี้อไอความต่างความเหมือน ของความหรือสิ่งที่เราเรียกว่าการคุ้มครองเนี่ยคือเรื่องของการคุ้ครองตัวเองมันไม่มีใครไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนด้วยธรรมะหรือไม่เป็นคนรู้วยธรรมะแม้แต่สัตว์ประสารเนี่ยนะมันก็มีความคิดมีวิธีมีความพยายามที่จะคุ้มครองตัวเองเแต่แม้ในผลมันออกมามามาว่าให้บางคนคุ้มครองตัวเองอย่างดีทําไมคุ้มไม่ได้ คุ้มครองทรัพย์สินของตัวเองอย่างดีทำไมคุ้มไม่ได้ทั้งที่มีเครื่องคุ้มครองที่เหงนเห็นเนี่ยมากมายแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คุ้มครองเหมือนดูเหมือนปล่อยปลง ล, ละเลยแต่กลับมีความปลอดภัยสูงกว่าคนที่พยายามคุ้มครอ ง, องด้วยวิธีการของเขาจึงลำดับประเด็นให้เป็นข้อ ทำความเข้าใจสามจุดด้วยกันที่ในจุดที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดเหมือนกันก็คือในแง่ของเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายะจะเราจะคุ้มครองด้วยวิธีใดๆหรือใครจะเป็นผู้คุ้มครองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเรามีจุดมุ่งหมายว่าขอให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวหรือขอให้เกิดความปลอดภัยแก่คนที่เรารัก หรือขอให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของเราหรือของคนที่เราหลักอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายทุกคนที่พยายามจะคุ้มครองนี่ก็มีความคิดอย่างนี้ถ้าจุดมุ่งหมายมาว่านี่ยไม่ผิดอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดไม่ว่าจะจักคุ้มครองหรือไม่ว่าจะโยนคุ้มครองไม่ว่าจะโจรคุ้มครองเนี่ยนะฮะความคิดคุ้มครองเน่ะจะเพราะตรงนั้นไม่ผิด แต่สิ่งที่มันเป็นถึกเปถูกเนี่ยก็คือข้อที่สองต่อไปนะได้แก่เหตุผลเหตุผลหรือข้อบลาลบในการกุ้มกรองคือว่ า, าการที่เราจะพยายามคุ้มครองตัวเองด้วยมีจีเนสเป็นเหตุผลเนี่ยมันผิดอันนี้เป็นจุดแยก หระอริยะ ก, กับอุตชนระหว่างสาธยชนคนดีกับอันตชนคนเม่ปลอดแตกต่างกับตรงนี้ว่าถ้าเราคุ้มครองด้วยด้วยความรู้สึกที่เป็นเหตุผลอย่างอย่างอุตชนเนี่ยนะก็เช่นว่าผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหวงใช้ความหวงแนน้นเป็น พ้อปลาล็ไอ้ตรงนี้เนะี่ยถึงไปบอกอยู่เสมอว่าเริ่มต้นเนี่ยผู้ที่จะคุ้มครองใข่หรือคุ้มครองตัวเองคุ้มคองผู้อื่นกระตามเนี่ยจะต้องทําใจให้สะอาดก่อนบางไอสะอาดจากอะไรเราก็มักจะบอกว่าเป็นกลางส่วนกลางก็คือสะอาดจากความรักความชังความยดีกินร้คือคนที่ ที่พักผลประโยชน์ตัวด้วยความก็คือกระหอบด้วยอำนาจของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเรื่องหน้าของความกลันลีทีเหนียวเนี่ยไอตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของความผิดที่ถ้าพูดอย่างภาษาพลาก็เรียกว่าไม่ทำศัก์แต่ว่าทำมันอาจจะสูงไปในระดับของผู้ที่ถึงคำชั้นสูง เ็อย่างพระอาหารย์อย่างที่ว่าวัดสองวัดวัดหนึ่งเป็นวัดที่ปกครองโดยเจ้าอาวาสปุถุชนวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่ปกครองโดยเจ้าอาวาสอาดิยงความแตกต่างอยู่ตรงไหนความเหมือนกันอยู่ตรงไหนความเหมือนกันก็อยู่ตรงที่ความรับผิดชอบ ตงเป็นเจ้ า, าวัดแล้วต้องดูแลกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบนประโยชน์ของวัดแต่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นกับเจ้าวัดมุทุทชนนั้นก็คือว่าดูแล ว, วัดนั้นด้วยอคติด้วยมัฉรยิยะนะอย่างที่ท่านพูดไว้มากมายในหนังสือบงสือก็บอกว่าเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดด้วยความตรหนีเช่นตรหนี่อาวาสก็ดี หรือเป็นคนที่ไม่พิจารณาค่ายครูนใจตรองไว้ดีเสีก่อนตำหนิหรือสรรเสริญบุคคลอื่นมันก็เลยกลายเป็นผิดคือไปตำหนิหรือสรรเสริญบุคคลพู้ถูกควรตำหนิหรือไม่ควรตำหนิควรสเสริือไม่ควรสรรเสริสญสรรเสริญมันก็ทําให้ตัวความมุ่งหมายของความเป็นจเจ้าอาวาสที่จะบําบัดทุกบัมรูสุขดูแลผลประโยชน์ของศาสนาเนี่ยทําไม่สําเร็จหรือ ทำแล้วมันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างปะปนกันนี่ก็ปีตนิที่มาถือพระอริยะพระอริยะเนี่ยท่านปกป้องโดยที่ท่านไม่ได้ห่วงซึ่งตรงนี้เราเป็นคนธรรมะเราก็เลยได้รู้แน่นอ น, นะวะ่าการคุม้มครองนั้นไม่จำเป็นจะต้องทาด้วยความห่วงและ จะต้องเน้นยิ่งไปกว่า น, นั้นอยูก็คือว่าเพราะไม่หวงนั่นแหละกับคุ้มครองได้ดีและทำให้การคุ้มครองนั้นได้รับความสาเสร็จถูกอย่างที่เรามักจะชอบถามกันแล้วก็เลลกิดการลบไปฟังว่าบางคนบอกว่าก็เมื่อตัวเราก็ไม่มี ของเราก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นรูปเราญาติพี่น้องเราทรัพย์สมบัติของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปปกป้องคุ้มครองทําไมอันเนีน้หรือถ้าใครคิดว่าตัวไม่มีของของตัวก็ไม่มีคนนั้นจะปกคล้องดูแลอะไรได้เป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติจะปกคล้องดูแลอะไรเลยเราก็พูดกันอย่างนี้ ซึก so we so ็น่า็นใจด้วยว่าไอ้เนี่ยตรงตรงนี้มันอาจจะลึกและก็ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยที่เราจะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าให้เราเนี่ยมันมีความโลภมีความกำหนักเวลาจะนึกถึงเรานึกถึงเขานึกถึงเอาเอาเราเอาของเราเอาเขาเอาของเขาเข้าไปใส่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจจากอิเล่น เราก็เลยเรียกว่าคนไม่มีกิเลสทาอะไรโดยไม่มีกิเลสเนี่ยมันไม่มีแรงบันดาลใจแต่ที่แท้แล้วแรงบันดาลใจมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจบันดาลแล้วทาให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายเกิดผลสาเร็จแต่ถ้ากิเลสบันดาลใจเนี่ยการกระทาใดที่กิเลสเป็นตัวบันดาลใจแล้วมักจะเกิดผลเสียตามหลังมาเราต้องเห็นคน อ่าสังเกตได้เลยคนทํางานเนี่ยคนกระตือรือร้นทํางานเนี่ยมันมีสองประเภทนี้จริงๆไอ้ประเภทที่กระตือรือร้นแบบห่วงงานแบบจะเอาแบบจะยึดแบบจะถือครองแล้วก็ทําด้วยความกระตือรือร้นพวกนี้ก็พวกหนึ่งมันก็มีทั้งในวงการทางโลกและวงการทังศาสนาแหละอีกพวกหนึ่งก็กระตือรือร้นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดจะเอาทำด้วยความรู้สึกปล่อยวาง แล้วผลนเนี่ยมันก็ออกมาว่าเอออคนที่เขาทําแบบปล่อยวางเนี่ยได้รับความนิเ็จมากกว่ามากกว่าคนยึดถือแลทั้งเราก็้องมาตัวเองกันนะนะนึกดเท่าที่เรามีประสบการณ์อยู่หรืออาจจะนึกถึงตัวเรเองในกิจบางอย่างเนี่ยเราอาจจะกระตุ้นรุนด้วยความรู้สึกในทางต่ำบางอย่างเป็นกิจที่เรากระตุ้รุนด้วยความรู้สึกในทางสูงก็มีแล้วก็ผล ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์การยอมรับจากผู้อื่นผลได้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นแล้วก็ชะตาบุญชะตากรรมที่ส่งผลแก่เราภายหลังก็จะแตกต่างกันไปมันในที่นี้เป็นตัวเป็นตัวแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวเหตุผลที่เราพยายามจรักษาดังนั้นสิงนี้จะต้องรู้จักภาคจิตเนี่ย ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก่อนและการคุ้มครองนั้นได้คุ้มครองได้ก็ไม่ทำให้เราเสียคุ้มครองไม่ได้ก็ไม่ทำให้เราเสียคือเราไม่เสียใจไม่วั่นไว้แล้วก็ไม่เป็นเงื่อไขกับคนที่เราไปช่วยดูแลเขาด้วยแล้วก็ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะงหมดว่าในที่ว่าทุกวันเลยคนหนึ่งเป็นพี่คนโต แล้วคนอื่นก็เป็นเป็นน้องที่คนโตเนี่ยไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ความตราตนะดีกับน้องทุกอย่างความประพฤกความนี้ตัวอย่างอื่นไม่มีแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่น้องไม่นับถือแล้วก็น้องดูถูกน้องอำาขานก็คือความพยายามที่จะแสะดงความหัวใหญ่น้องๆและหลานๆเนี่ยมน เป็นความห่วงใยด้วยความวิตกกังวลคือกังวลจกนกระทั่งน้องไม่อยากให้มาห่วงใยแบบนี้เลยกลายเป็นทําคุณบีชาโทษความรู้สึกอย่างนี้ไม่นําไปสู่ความสํมาสเร็จและก็นอกจาไม่นําไปสู่ควางสเร็จนั้นเนี่ยมันยังกลับกลายเป็นว่าปัญหาของน้องๆเนี่ย มันเลยเกิดปัญหาขึ่นมามีปัญหาหนึ่ง <c oughs> คือพี่เบญธนาพี่เบญธนาลอยไหวไอ้ความติดกิ๊กพี่ความกังวลโงใหญ่ยันปกติเนี่ยเลยกลายเป็นปัญหาและนานเข้านานเข้าก็เลยในสายตาของน้องเลยเห็นว่าอาคนที่มีปัญหานี่ไม่ใช่น้องแต่ละหรือมันมีแต่มาเป็นเรื่องเล็กเลยแล้วคนที่มีปัญหากลายเป็นพี่แต่ละมันเป็นอย่างนี้ เพฉะนั้นไอ้เรื่มันจึงเป็นเป็นอันหนึ่งเป็นทีอันหนึ่งว่าเมื่อเราจะคุ้นของอะไรเนี่ยหรือจะทําอะไรในทางแผนเมตาเนี่ยต้องสลายหรือต้องสํารวจไอ้ความรู้สึกตัวนี้ฮที่มันเป็นตัวบันดาลอยู่ข้างหลังเป็นแรงจรูงใจอยู่ข้างหลังเป็นเหตุผลอยู่ข้างหลังที่ทําให้เราทราบมา ที่สามก็คือวิธีการวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายคือการคุ้มครองรักษาสิ่งต่างๆอันนี้เป็นความแตกต่างที่ปรากฏเห็นตามตาแก่คนทั้งหลายคือถ้าหากว่าเป็นผลลัพน์ทีมอยู่ในใจเป็นความคิดเป็นความรู้สึกอยู่ในใจาบางทีคนไม่คุ้นเคยก็าอาจจะไม่รู้สึกหรือบางทีฟังเ้าพูดเนี่ยขั้เดียวนี่นะคะ พูดุดเอมันเขาพูดในกระถูกแต่ว่าพอไปฟังฝ่ายที่เกี่ยวข้องพูดเออเ้าก็รู้เลยว่าอคนนี้จินตนาการมากไปหรือสร้างวิมานจัดกเกิดไปแล้วก็ที่แน่ๆคือว่าถ้าสองคนมาพูดกันนะอย่างผมอย่างวาอย่างการณีพี่น้องเมื่อกี้นะ่ะพยายามจะเล่าเทียบให้นึกถึงกรณีนึง พอสองคนมาพูดกันเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนเลยะว่าคนที่ทําหน้าที่คุ้มครองเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยพยายามจะมาปกป้องผู้อื่นโดยตัวเองอยู่ในสภาพของความป่วยไข่เนี่ยเลยมันออกมาเป็นลักษณะที่เราได้รู้สึกไปวาา้ว่าอย่างนั้นเราจะไปปก ป, ป้ปปองอะไรได้จะไปคุ้มครองอะไรได้คนอย่างนี้นะครับที่นี่มาพู้ทถึงิธี ไอ้ผู้วิธีเนี่ยผมก็อยากจะพูดแยกแยะเพื่ อ, อ, อต้องกันบางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่กำลังจะบอกให้ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันหรือมันเป็นเรื่องของความประมาทหรือมันเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อถือไม่ได้หรือไม่อีกทีก็เลยกลายกันว่า ธรรมมาปฏิเสธการคุ้มครองด้วยวิธีอย่างอื่นไอ้วิธีอย่างอื่นเนี่ยมันมันก็มีทั้งติดตุกนะอย่างเช่นว่าเราคุ้มครองด้วยวิธีไอ้ทางกายภาพอย่างธรรมดาธรรมดาที่เราทำเช่นว่าเราปลูกบ้านเราก็ต้องมีรั้วบ้านไอ้รั้วบ้านก็เป็นเครื่องคุ้มครองใช่ไหมฮะเรามีของจะป้องกันเราก็เอาไปใส่ตู้เพื่อป้องกันป้องกันจากอันตราย ตั้งจากคนจากไฟจะทุกขก็ไปจะไปอย่างอื่นสารพัดอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ก็บคุมเก่าได้ซึ่งสิ่งเห่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ควรทำและพระพุทธเจ้าอื่นก็ไม่ได้สอนไม่ให้ทำท่านก็สอนให้ทําโดยวิธีการต่างๆเหล่านี้ที่นีวิธี ท, ที่ที่เราทําเนี่ยบางทีมันเกินเลยเกินเลยจนกระทั่งว่ามันกลายเป็น เนอาภิสุจน์คุณก็ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะที่เราเห็นก็เช่นว่าถ้าเราจะรักษาผลประโยชน์ของเราไว้ได้เนี่ยเราต้องทําลายคนอื่นนะฮะทำลายคนอื่นก็เช่นไปฆ่าคนอื่นอย่างที่คนบาปก็ทํากันนั่นแหละจึงจะเป็นการกุ้งขอ ง, องออผลประโยชน์ของเราไว้ได้ โดยเราจะบังคับครองชีวิตของเราไว้ได้เนี่ยเราก็ต้องฆ่าคนอื่นไม่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งตัวเราจึงจะมีชีวิตยอยู่รอดเราก็ฆ่าคนอื่เออทีนี้ไ อ, อ้บางตรงนี้เนะี่ยบางคนมันก็พอยจะเห็นชัดแต่ว่าเออถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรานะฮะคืออ อ, อย่างนึกว่าอาหารไปลบในสมรภูมิเนี่ยมันก็คือต้องฆ่ากั เราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราถือว่าเราจะรู้เราเป็นขมือนด้วยกันแต่เวลาออกไปสมรภูมิแล้วก็คือต่างคนต่างฆ่ากันพยายามฆ่ากันหนี้ไอ้ไม่ฆ่าเขาเนี่ยตัวเราก็ไม่รอดอาจจะถูก็ฆ่ามันก็ต้องทํามันก็ต้องใช้วิธีนี้ที่นี่มาถึงที่สุดเนี่ยมันก็คือขยันะด้วยกันเป็นคู่แหละอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกโลกเขาอะนะครับขยันะเคือ ว, ว่าไอ้คนหนึ่งตายไปคนหนึ่งอยู่ก็อาจจะ ไปตายด้วยชะตากรรมอะไรอย่างอื่นซึ่งบางทีไอต้ตรงนี้เนี่ยบางทีพระก็เข้าไปยุ่งมากเลยนะถึงไม่ให้พระเข้าไปอยู่ในกองทัพหรือไม่ให้ไปพูดาพาดพิงแบบตรงๆเนี่ยครับมันทําให้เกิดภาวะของความผุ่นหัดเกิดขึ้นแต่ก็ได้เคยยกตัวยอย่างให้ฟังว่าคนที่ทัดําพังว่าเราจะให้เย็เนโดยหลักเนี่ยบางทีงมันก็มีอยู่อะโรคเราเรื่อนี้ก็ดีขึ้นเยอะในเรื่องโรคปลาค้าวแกงกันเนี่ย เราพยายามจะตั้งกติกากระชับกระชับก็ามาเพราะว่าไ อ, ไอ้กิเลสตรงจรุดนี้ของเหตุผลทางนี้มันทําให้ไม่ค่ากันไม่ได้ร้อยเปเซ็นในยุคนี้เนี่ยก็ทําให้ให้คนอสงสัยขึ้นมีกติกามีอะไรตะไรที่เป็นข้อตกลงนนในการทํา อ, อการลบลา่าแกงกันในโลกนี้ก็ทําให้ดีขึ้น่ะแต่ถ้าว่าเราจะเ อ, อเรียกว่า สร้างบารมีหรือใช้วิธีการคุ้มครองกันอีกมุมหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ต้องออกไปนอกวิธีทางตรงนี้มันถึงจะอยู่เหนือปัญหาตรงนี้ไปได้แต่ว่าถ้าไอ้บางคนจะใช้อธรรมะเข้าไปก็กลายเป็นอาหารที่ไม่มีบุญรบกับที่จะไปลบอย่างที่เคยเล่าในันตัวเองก็อาจจะไม่ได้ลมหายายจาาหรือบางคนที่ดีหน่อยจะถึงข้าวลบก็ลบไป ไอ้ึงข่าวแผลเมื่อตากาแ็แผลไปแผล